วันนี้เป็นวันพระปฏิบัติธรรมของพวกเราเมื่อเช้าหลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่วัดไปฉันที่ศาลจังหวัดท่านจัดงานเกี่ยวกับ ว, วันครบรอบวันศาลยุติธรรมวันเกิดกำเนิดของวันศาลยุติธรรมในหลวงรัชกาลที่หท่านเป็นผู้ตั้ง เป็นวันเกิดของศาลวันนี้วันที่21เมษายนเมื่อ128ปีให้หลังวันครบรอบ128ปีของศาลเช้ามีผู้วาราชการจังหวัดมีอธิบดีศาลทั้งสี่ศาลศาลแขวงศาลเยาวชนศาลแรงงาน มาครบแล้วก็พิพากษามากพปะนชา้นพิพระกนหลายองค์มาร่วมฉันกันที่ศาลจังหวัดวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษาห้าสามเมื่อวันที่ยี่สิบหลวงพ่อไปกราบองคหลวงตาวันที่สิบเก้าที่พายุเข้าวัดเราต้นไม้ล้มละเนระนาด ไม้ทับกุฏิไปสองหลังแต่ก็ไม่เสียหายมากวันที่19เามษาวันที่ยี่สิบหลวงพ่อไปกราบคารวะองค์หลวงตาแล้วก็ได้ไปถวายจจตุปัจจัยอย่างที่เคยทำมาทุกปีหลวงตามหาบัว บ, บัดป่าบันตาท่านเป็นผู้มีคุณอุปการเป็นผู้สงครับวัดของเราทำกำแพงหมดเท่าไหร่ ทำเคือนหมดเท่าไหร่แล้วก็ขุดสระน้ำที่ท่านช่วยวัดของเรารวมแล้วก็มากมายเพราะนั้นพวกเราช่วงนี้ก็พยายามถวายถวายคืนท่านเพราะว่าท่านก็ได้ใช้จจตุ ป, ปัจจัยมากสรุปแล้วเมื่อวานหลวงพ่อเองก็ได้ถวายเจตุปัจจัยก็วันที่4เมษายนพวกเราได้ร่วมสมทบ ทอดผ้าป่าที่พิมายอำเภอพิมา ย, มายวัดป่าพิมายหลวงตาดร็อปเตอร์หลวงตาบัณฑาท่านไปรับผ้าป่าท่านเบตตาไปรับผ้าป่าวัดของเราก็ได้เอาปัจจัยเงินสดให้พระของเราไปร่วมบวชถวายปัจจัยห้าแสนนะอถวายห้าแสน ที่วัดป่าพี่ไม้คิดว่าคนคงไม่มากแต่เอาเข้าจริงก็เขารายงานมากกว่าเด็จะตกปัจจัยเท่าไหร่ผ่าป่าสงเคราะห์นกที่พีมามได้ล้านแปดแล้วก็ได้ทองคำหนึ่งกิโลกับ19บเกาบาทก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะยุคนี้สมัยนี้นะได้ขนาดนั้นของโอ้เป็นการเชิดชูบูชาให้ลงตาสงเคราะห์นก แล้วก็เมื่อวานหลวงพ่อเข้าไปกราบองค์หลวงตาก็าเลยเอาจตปัจจัยของวัดตีเช็คของขวัญไปสองแสนแล้วปัจจัยเงินสดมีผู้ถวายไว้ที่วัดของเราหลวงพอ่อก็รวบรวมก็ไม่ไม่ถึงห้าหมืน่นแต่หลวงพอ่อก็จะหาปัจจัยเพิ่มเข้าอีกให้มันถึงห้าหมืน่น <c oughs> เป็นเงินสด เราเข้าไปถวายท่านเมื่อวานก็เป็นอันว่าวันที่ยี่สิบเราถวายองค์หลวงตาสองแสนห้าหมืนบาทแล้วก็ท่านฉลาดที่ออกจากวัดเราไปสร้างวัดอยู่ที่ทากกสะพุงอำเภอนคมคำ้อยเราก็ช่วยสะพานทาสะพานไปแล้วละ่ะปีก่อนนะนะั่นปีนี้จะสร้างศาลามาขอหมู่มาปูมาไปนะี เราก็ได้ให้ไปอีกโอนให้เมื่อวานเงินแสนห้าว่าจะพอเพราะยังขาดอยู่วันแสนห้าแล้วก็โอนให้ก็เป็นอันว่าทั้งสามรายการนะทั้งพิมายด้วยทั้งถวายองค์หลวงตาด้วยทั้งโอนให้ท่านฉลาดเป็นเงินทั้งหมดเก้าแสนบาทนะ เราขอให้พวกเราทุกท่านอนุโมทนาในจิตในใจนะอันนี้ก็คืออา น, นิสงส์ในการทำทานนะถวายทานจากตุปใจไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใเดเราก็ได้ทำบุญในนามคณะของวัดคณะพวกเราทุกๆกคนทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งภิกษุสั ม, มเนนถวายองหลวงตาเป็นบูชาพระคุณของท่านนะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็น ท่านมีพระคุณท่านได้ทากําแพงของเราหมดไปทั้งยี่สิบกว่าล้านไงสะน้ําเท่าไหร่เขื่อนอีกเท่าไหร่ท่านได้เมตตาพวกเราเพราะนั้นพวกเราก็ควรจะแสดงความกตัญญูกตัญโวทิตตาแต่ท่านไม่ว่าอะไรหรอกตรงตาท่านให้แล้วก็แล้วนะแต่เป็นหน้าที่ของเราจะต้องคิดไม่ใช่เราได้ละไปเฉยเหมือนกระลิงได้กล้วยอย่างนั้น ไม่ได้คิดในอ่านอะไรกินเข้าท้องแล้วก็ถ่ายออกแล้วก็จบไม่ได้คิดถึงบุญคุณครูบาอาจารย์อะไรเลยอันนั้นก็เหมือนกระลิงเกินไปเราไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องพอที่จะคืนให้ท่านได้มัพอเป็นไปได้อยู่เราก็ต้องถวายท่านคืนก่อนท่านก็เป็นพระผู้เฒ่ามหาเถระ เวทีเคารพสักการะบูชาของพวกเราแต่เมื่อวานหลวงพ่อเข้าไปกราบอองค์หลวงตาไปถึงตอนบ่ายสองโมงกว่ามั้งพอไปถึงเอหลวงตามาจากวัดผาแดงปันเขาพักให้พระหนวดเจนถวายท่านเราก็เข้าไปพอดีท่านก็ลุกพอดีก็ไปกราบท่านเกาไปนั่งถามไถ่กราบคารวะท่านท่านก็พูดธรรมะให้ฟังเมื่อวาน เป็นชั่วโมงกว่านะ่ะเราก็นั่งใกล้ๆท่านนะเวลาท่านจะม้วนนาปากเราก็ได้เอากระถนให้เด็กจับให้ท่านม้ว น, นแล้วเวลาจะฉันน้ำเราก็ถวายน้ําท่านอยู่ใกล้ขนาดนั่นแหล ะ, ะท่านก็พูดทําไมายฟังแต่พูดเสียงไม่ดังนะแท่านก็ยกขาที่ท่านปวดนะั้นขึ้นไปเหยียบเก้าอี้ขาหนึ่งก็หย่อนลงมาแล้วก็พูดธรรมะเออเราเนี่ยหมดแล้วนะ เราหมดงานแล้วตั้งแต่ตื่นตะก่อนโอ้เราภาวนาเนี่ยเอาอย่างสุดๆทันมานนะเอาอย่างสุดๆไม่มีอะไรที่จะหนักยิ่งกว่าการภาวนาทําอย่างจริงจังจริ ง, ร ง, รงๆเรานะแต่เดี๋ยวนี้มันหมดงานแล้วอก็ไม่ขาดไปคิดว่าใจของเราเนี่ยจะเป็นใจทั้งแท่ ง, ทงเป็นธรรมธาตุ ใจออกจากวงวงวัฏฏะไม่หมุนเวียนไม่วนเวียนกับวัฏฏะสงสารอีกแล้วรู้ได้แก่ใจมันหลุดพ้นเมื่อไรมันก็รู้กิเลสมันพังออกจากใจเมื่อไรก็รู้เรารู้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วแล้วเราจะไม่เกิดอีกแล้วเราก็รู้แก่ใจอีกโอ้ท่านพูดวานิลักษณะอย่างนี้เล่านั้นพูดทห้ฟัง จากนั้นท่านก็บอกว่านี้นะวันที่เราได้ตัดกิเลสลงไปเราเรียนประหยัดอยู่กี่ปีนะก็วาให้ฟังอีกว่าแต่หลวงพ่อจำไม่กล้าจะพูดยืนยันในจุดนี้เพราะมันลืมๆสรุปแล้วก็คือปรรษาที่สิบหกที่ท่านได้บรรลุธรรมเนี่ยที่วัดดอยธรรมเจดีท่านบอกว่าเนี่ยเราได้สู้อย่างสุดจุด เดี๋ยวนี้เราคิดอดเป็นห่วงหมู่พวกเพื่อนไม่ได้จะจริงจังหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ามันไม่จริงจังมันหล่อหละมันก็ไปไม่ได้นะถ้าว่าจริงจังเนี่ยมันไปได้นะเราก็ไม่คาดคิดเหมือนกันเราว่าจะไปได้เราก็จริงจังจริงๆผลี่สุดเราก็จะสลัดเจตออกจากใจของเราได้จริงๆไม่มีความสงสัยในใจเลยแม้แต่น้อยเดียว ทุกวันเนี่ยอยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละอยู่แบบคนว่างงานเราว่างงานนะตื่นขึ้นมาเราก็ว่างงานไม่รู้จะทําอะไรมันว่างในจิตในใจไปแต่ทำนั่นอยู่เป็นวันวันอยู่ไปเรื่อยๆอยู่เป็นวันวันอยู่เป็นเดือนเดือนปีๆไปอยู่ไปอย่างนี้แต่จะให้เราคิดภาวนาเพื่อชาระกิเลสอีกมันไม่มีแล้วไม่รู้ไม่กิเลสตัวไหนจะเข้ามาหาเราได้อีกมันหมดแล้วหมดในจิตในใจเรารู้แก่ใจ ไม่มีกิเลสตัวไหนจะเข้ามาต่อกรกับเราได้อีกแล้วใจของเราเป็นธรรมธาตุแล้วเป็นธาตุที่เป็นธรรมแล้วท่านย้ําอยู่อย่างนี้เหอนกันจากนั้นท่านก็พูดให้ฟังแต่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อเอาคําพูดของท่านมานะหลวงพ่อก็กลัวจะลืมเหมือนกันะ่พระที่นั่งฟังอยูทั้งหลังๆยืนในมุมหมอ ม, ม, มุบอแต่ไม่ได้ยินหรอกคงเพราะหลวงตาพูดค่อยมากท่านหันหน้ามา พูดทางหน้าพูดเสียงท่านเบาทุกวันเนี่ยเสียงท่านเบาท่านกระบอกเน่ยเราไม่เคยพูดให้ใครฟังนะถ้าพูดให้ฟังมันก็เป็นเหมือนกับคนที่เชื่ออีกอย่างหนึ่งก็ไม่เชื่ออีกอย่างหนึ่งเพราะนั้นเราจึงไม่พูดอเราไม่พูดให้ใครฟังเนี่ยเราจะพูดให้ท่านฟังท่านพูดให้หลวงพ่อฟังเราจะพูดให้ท่านฟังเนี่ยกลางคืนเน่ยเรานั่งภาวนาเราอยู่ที่นี่เนี่ย เทวดาเนี่ยมาเต็มหมดนะมามากนะมาคนไหนก็มีมาอ บ, อบโปโมทนามาเพื่อถามปัญหามาเพื่อฟังเทศกลางคืนมามากนะเราก็ฟังเสร็จแล้วก็ถามมามากเสมอทุกคืนทุกคืนแล้กวก็าบางคืนมากบางคืนน้อยครับผมคือเราถามก็อยากจะให้พระได้ยินท่านว่าบางคืนก็ไม่มากแต่ก็มากอยู่ แต่บางคืนก็ไม่เสมอกันที่พระอินทาราชที่มาขอฟันขององค์หลวงตาขาานั้นที่ลวงตาว่าฟันตอนเช้ามาฟันหายไปเลยจากนั้นมาท่านได้มาอีกไหมครับผมหลวงพ่อถามมาว่าไม่มาไม่เห็นไม่เห็นมาอีกเนี่ยอันนี้เราเราจะไม่พูด ให้แกไครฟังนะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยก็หลวงพ่อกันกันลืมไม่เฉยเฉยนะถ้าหลวงพ่อไม่พูดใส่เอ็มพีสามไว้เดี๋ยวก็จะลืมเดือนรางไปพราวพ่อได้ยินกับหูจริงๆเมื่อวานนี้เ่อกันทักได้ยินที่ท่านนั่งอยู่โอ้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เอท่านรู้ท่านเห็นท่านไม่พูดไปง่ายๆเหมือนกันแต่หลงพ่อพูดเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อ เอาความลับขององค์ตามาพูดนะัะนแับว่าพูดไว้เพื่อให้อยู่ในเทไปไว้ลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าจะได้เป็นข้อสังเกตและเป็นแนวทางที่ว่าองค์หลวงตาเนี่ยท่านรู้เห็นยังไงเมื่อวานท่านยืนยันเราได้ฟังอย่างเต็มหูสองหูเลยเต็มใจเต็มอย่างหัวอกหัวใจเลยว่างั้นที่องค์ตาพูดให้ฟังเมื่อวานแต่ท่านเน้นหนักเรื่องภาคปฏิบัติในอย่างมากเลย เพราะนั้นขอให้พระลูกหลานน้องนุ่งทั้งหลายเนอะลูกจิตลูกหาทั้งหลายทั้งทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายคารวะญาติโยมนะ่ะให้มุ่งมัน่นให้ตั้งอกตั้งใจอย่าไปหวังอะไรโลกนะโลกมิจะเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นอะ่ะถึงจะร่ํารวยมั่งมีสีสุขขนาดไหนก่อนนะั้นอีกสักวันหนึ่งก็เตรียมหีดเตรียมโล่งไว้เลยมันไม่มีอะไรที่จะเป็นสวรรค์ที่มานต่อไปภายภาคหน้านหรอกเพราะนั้นขอให้พวกเรา มุ่งเน้นหนักในศิลในธรรมเยมรรคผลนิพพานมีจริงอย่างที่ตรงตาพูดเมื่อวานแล้กัท่าความไปถึงครูบาอาจารย์ท่านชิ้นทองกระดูกขงท่านก็เป็นพระาธาตุนะท่านจวนก็กระดูกเป็นพระาธาตุนะเนี่แหละพระหลายองค์นะที่กระดูกเป็นพระาธานตะุที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น อันนี้คือหลวงตาท่านเท้าวความหลายๆองค์เมืม่อวานเนี่ยเพท่านพูดเป็นชั่วโมงเคี้ยวหมากทั้งสี่คำเมื่อกีน้นเ่นแะที่ท่านเคียเค้ยวระบวนเคี้ยวระบวนสี่คำเมื่อกี้นั่นแหลหลวงตาเมื่อวานนี่ยน่ะอันนี้ก็หลวงพ่อได้ฟังจากนั้นหลวงพ่อก็กราบลาท่านประมาณสี่โมง ก, กว่าๆออกมาแล้วกันเลยเยังพอมีเวลาอยู่ เรามาเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลจากนั้นก็มาเยี่ยมศพคุณแม่ชีน้อยที่วัดหินหมักเป่งที่เป็นแม่ชีอยู่กับหลวงปู่เทศมานมนานคุณแม่เนี่ยโอ้ต้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังนะหลวงพ่อว่านท่านคงจะหลุดพ้นอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะคุณแม่ชีน้อยเนี่ยนะท่านเอาจริงเอาจังและคิดว่าจะประชุมเพลิงวันที่เก้าพฤษภาที่จะถึงนี่แหละ แต่หลวงพ่อก็ไปเมื่อวันที่ยี่สิบออกจากวัดปา่าบรรดาเก็ไปที่วัดหินมะเป้งจากนั้นก็ค่อยกลับมาวัดนี่แหละตุละการงานของหลวงพ่ออที่กลับมาค่ามืดก็ไปอย่างนั้นแหละให้เขาบอกไปเราอยู่ในชุมชนสังค ม, มได้ยินแล้วก็เป็นยังไงควรจะไปไม่ควรไปเหมาะสมไม่เหมาะที่เป็นหัวหน้าก็ต้องได้คิดอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าคิดอยากจะไปก็เตลิดเปิดเปิงไม่ใช่ ต้องคิดทก่อนว่าควรจะไปมีเหตุผลอะไรสมควรที่จะไปไหมแต่ถึงยังไงข่าวนี้ไม่ได้เขาไปกราบองหลวงตานานนะเพราะหลวงพ่อเป็นวัดถ้าจำไม่ผิดขึ้นมาจากภูเจ็ดแล้วขึ้นมาไปคําชอีเนะี่ยไปวันที่สิบเจ็ดนั่นแหละเป็นวัดตั้งแต่ข้าวนุ่นนะเรื่องเป็นวัดเป็นวัดหนักสองวันก่อนไป แล้วก็ไปหนักอยู่ห้วยทรายจนวันถึงวันที่สามสิบจะกลับมาพอกลับมาแล้วกันนี่มันนอนสมซานอยู่ในวัดยาไม่รู้ว่ายาขนาดไหนต่อขนาดไหนแล้วก็เพิ่งมาหายเมื่อวนันวันก่อนเมื่อวันที่สิเกดูดูแล้วเดือนกว่ากว่าเดือนกับอาทิตย์น่ยพูดง่ายๆ่หนึ่งเดือนกับอาทิตย์เป็นวัดข้าวนี่รู้สึกว่าเป็นนานมากต้งเป็นวัดเป็นไอ เพราะเราก็ไม่ได้เข้าไปกราบองค์หลวงตาเพราะว่ากลัวจะนําหวัดไอเข้าไปติดท่านท่านก็อายุถึงขนาดท่านแล้วเราจะนําหวัดนําไอเข้าไปพูดคุยกับท่านใกล้ๆไม่ได้ละเดี๋ยวหวัดไอไปติดท่านแล้วโอเป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นจึงไม่เข้าไปใกล้ท่านเป็นเดือนกว่าเมื่อวานคิดว่าวัดไอก็คิดว่าหายคิดว่าดูตัวเองแล้ววาหายขาดแบบนั้นดีขึ้นมากมากแบบนั้น ยังได้เข้าไปกราบคารวะท่านเมื่อวานนี้เพราะนั้นวัดของเราก็ได้ทำบุญทําทานอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่แหละขอให้พวกเราอนุโมทนาสาธุและก็พร้อมกันให้ตั้งอบตั้งใจภาวนานะหลวงพ่อจะไม่พูดอะไรมากวันนี้เอาตอนนี้ไปนั่งภาวนาที่นี่